เัื่อทำกานตบวัตรเจ็นจบช่วนี้ก็เป็นเดือนเมษายนทำวัดยังสว่างอยู่ปเตช ม, มืดเปลี่ยนไปแลดูการเมษาปกติฝนไม่ตกเลย แต่ปีนี้ฝนตกร้อนอ้าวปีนี้ก็หนาวมีอากาศเย็นเปลี่ยนไปไเวลาเวลาที่ไม่เปลี่ยนก็มีเหมือนกันก็คือสัจจความจริงไม่เปลี่ยนสองพันปี เคมีความโกรธมีความสุขความทุกข์เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่คมีความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไม่เปลี่ยนสติปัญญามันก็ยังมีอยู่นะคำพูดคำบอกคาสอนคำเพี น, นี้เป็นช่วงที่เรามารวมตัวกันส่วนหนึ่งอาจาร์บัรยุดธนะ์ราชการจะใครเข้าบันปีใหม่ไทยสงกรานจะได้หยุดพักกันยาวเลยก็มาวัดกันส่วนหนึ่งปิดเทอม ที่เด็กๆก็ปิดเทอมโรงเรียนหยุดมาวัดปฏิบัติกันกรมมีโครงการมาจังมาช่วงนี้พอดีของกัวลาสลการใหม่ส า, าสุขของใหญ่ปูมเราก็ใส่สถานที่วัดป่าสุโตนะพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาปิดจิตพัฒนาใจของเรา กระจโอกาสกันบางคนก็ช่วยโอกาสอยู่ไม่ไม่ต้องหาโอกาสแต่ช่วยเลยหยุดตอนไหนก็มาทันทีมีงานมีการที่วัดก็มาช่วยกันก็มีเราเห็นเหมือนเหมือนกัน คือคุณภาพของกายของใจประสิทธิภาพของกายของใจแล้วก็สมรรถนะของกายของใจที่ถูกหยิบยกเอามาใช้ทำหน้าที่ต่างๆทำดีบางทีก็จิตอาสา มาอยู่วัดว่าเป็นจิตอาสาไม่มีหลงปีหลงวันอะไรไม่มีผลประโยชน์ไม่มีราบสการ่าอะไรอยู่ที่วัดที่ว่ากันใช้ชีวิต เพื่อศึกษาชีวิตหนี่ เ, เมื่อกี้ก็มีคนงานไปหาเหมือนกันคนงานมาอยู่ที่วัดนี้ก็ไปหาทำงานทำการแลกเปลี่ยนที่วัดมีงานก่อสร้างซ่อมกุฏิศาลาประตูหน้าต่างต่าง ถือว่าทําหน้าที่กันนั่นแหละประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนอกจากเรา ท, ที่มาเข้าคอร์สปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติกันถึงแม้จะเป็นวันที่2ของการปฏิบัติในวันที่3ของการนดการก็ตามก็สนใจใส่ใจกัน ที่วัดนี้ชี้นำบอกว่าให้รู้สึกตัวไมว่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนมาเทศข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังเออให้รู้สึกตัวเขาว่าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเกอนมือจิตสีช้วาวว่าเดินจงกรมจะไปไหนมาไหนอะไรก็ตาม การเคลื่อนการไหวแต่ละขณะของกายของใจเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกถ้าจับได้สังเกตสะาว่าความเป็นปกติเรามีความรู้สึกตัวก็จะเห็นว่าเออจิตของเรามันก็มีธรรมชาติถิมเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานก็ว่าได้ มักก็คือทางเดินมันมีทางเดินเดินแต่ละก้าวมันก็มีผลก็คือผ่านมีประสบการณ์เดินผ่านอารมณ์ไปเรื่อยๆถ้าเป็นเรื่องการฝึกจิตเห็นอารมณ์มากมายเหลือเกินทะลักทะลวงทั้งวันมันก็มีอาการตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามปัจจัยแตผ่านได้ก็แล้วมีผล นิพพานคือเป้าหมายสูงสุดเลยนิพพานในความหมายที่เราปฏิบัติธรรมขนาดนี้คือความเป็นปกติของจิตมันไม่ใช่จิตดีจิตร้ายจิตร้ายเป็นทุกข์จิตดีเป็นสุขอันนี้จิตเป็นนิพพานมีพระโบราณนัานบอกว่า หรือว่ายังมีชื่อเสียงอยู่หรือว่ายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านก็บอกว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนิพพานก็ไม่ได้อยู่ไกลลมหายใจเราก็ได้ยินเสียงของพระนิพพานแล้วลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจออกรู้สึกเนี่ย ยิ่เราเคลื่อนมือนี่โอ้ชัดเลยเวลาเคลื่อนมือเราก็สังเกตได้ว่าบางทีมันก็เข้าอยู่ในการเคลื่อนการไหวของกายบางทีมันก็ถอยถ อ, ยถ อ, ยถอยนอกไปเกิดความพอดีอว่ามันเลยเถิดไปตามนิสัยความเคยชินเข้าไปในความคิดบ้างอารมณ์บ้างสนุกดี เวลาปฏิัติธรรมบางทีก็แปลกใจว่าสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนความว่วงอะไม่มีตัวไม่มีตนความเบื่อไม่มีตัวไม่มีตนความคิดการปรงการแต่งมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่ทำไมมีอำนาจจังมันบังคับเราได้ด้วยมันทําให้เราเคลื่อนมือไม่ได้ ทำให้เราไม่อยากเดินจงกลมมันชวนให้เราออกนอกทางเดินจงกลมที่ปฏิบัติก็แปลกดีบางคนถึงขั้นบางทีก็ความคิดพาพูดพาทำมันก็มากมายหรือเราเองนี่แหละ เคยคิดแล้วก็หวเราะเคยคิดแลก็ร้องไห้คิดแล้วกเกิดอาการต่างๆมากมายออแปลกดีพอได้มีความรู้สึกตัวรู้จักความรู้สึกตัวแล้วก็เห็นแล้วออกธรรมชาติของตัวเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกรู้ถูกเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจได้ เดี ว, ว่าเรื่องของอารมณ์เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจวันทั้งวันนี่มันเกิดอะไรขึ้นอากาศก็ดีแต่ไมใจเราไม่ดีนะอากาศก็เย็นแต่ไมใจเราร้อนของที่อยู่รอบตัวก็ยังดีอยู่วัตถุ123แต่ทำไมเราไม่ชอบบุคคลเหมือนกัน1 2, นึ่งสอามอๆหน้ารอมๆหลังทําไมเราไม่มีความสุข เคยได้สุขจากการเสพเอาเข้ามาหาตัวเองแต่ตอนนี้เอาเข้ามาเห้แปลกเลยไม่มีความสุขมันก็เป็นไปได้นะหลายคนจังมีวัตถุนถึงสบุคคลหนึ่งแต่ว่ายังหาความสุขไม่เจอแต่พอมาอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวเห้ยก็แปลกดี สถาการเบาๆเป็นปกติปกติสุขล่งๆผ่อนคลายดีมันก็แปลกไปเปลี่ยนไปทำนานๆปฏิบัติธรรมใบโปรยรู้ซ้ำๆซักๆมันก็เห็นแล้วเห็นอีก ในการต่างๆจนางทีมันก็สะดุดหรือว่าเอใจเหมือนกันเอเกิดการสังเกตพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ชี้นำเอาไว้เร า, เราทุบความคิดกันเออจริงฮะพอรู้สึกตัวมีสติขึ้นมาเห็นกายตามความเป็นจริงก็เห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริง มันก็แปลกดีปฏิบัติทรเรนึกว่าเป็นของเลื่อนลอยเพอร์เจอร์นึกว่าผู้ใหญ่ก็ไว้หลอกเด็กทำไมพระทมได้พูดกันบางคนก็แต่งหนังสือมากมายกันเต็มตลาดตามร้านหนังสือใน ป, ปี2ปีนี้หนังสือที่ขายดีที่สุดหนังสือธรรมะอันดับหนึ่งเลย เราเอออะไรมาเขียนมาอวดมาอ้างกันแต่พอเรามาปฏิบัติออมันจริงฮะความสุขก็อยู่ที่กายของเราเนี่ยแะความสุขก็อยู่ที่จิตที่ใจของเราเนี่แหละเห็นเลยเมื่อก่อนต้องหาความสุขนอกตัว ต้องมีว่าตนห123บุคคลหนึสถานที่ 1, 2, 3สุขสุกนจัดจ่ายอยู่ไม่ติดนิ่งไม่เป็นแต่พอฝึกความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวไปวันแล้ววันเล่าเออมันก็นิ่งเป็นนะมันก็หยุดเป็น อยู่กับตัวเองนี่แหละอยู่กับธรรมชาติถึงเวือล้อมที่มันมีอยู่ต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดผีเสื้อหมอกเมฆ ค, ความร้อนความหนาวอยู่แผ่นดินเม็ดจยก้อนหินต่างๆมันก็เป็น ความร่นเริง ม, มาเทิงใจไดนะ้เป็นบทแปลงจากขุนเขาจากธรรมชาติมันก็ดีสีตีเป่ากล่อมโลกมันก็แปลกดีเจ็ดใจแล้วก็สงบเย็นเนะชื่องมันก็มีความสุขไม่ต้องใช้แสงสีเสียงปลุกเรา เจอคนมากมายความรู้สึกตัวมันก็มีคําตอบแบบนี้ด้วยพอปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอยู่กับตัวเองไปเรื่อยๆมีกายมีใจก็เห็นกายเห็นใจสนุกดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ปฏิบัติมันจะมีนะเวลาเรารู้สึกตัวเนะี่ยวิชามเกิดขึ้นมาวิชาเรารู้แล้วรู้ถูกรู้กายเห็นกาย รู้จิตรู้ใจเห็นจิตเห็นใจจนั้นมันเห็นเป็นการเกิดดับเลยลักษณะสามอย่างการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นแล้วเห็นอีกเห็นจิตที่มันเป็นปกติ สภาวะอาการเหล่านี้มันทำให้เกิดศรัทธาเกิดจิตใจที่มันเรืองเรียกว่าปลาโมดขึ้นมากับการปฏิบัติเราก็จําได้จําได้ถึงร่องรอยอาการที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราจําได้ถึงจิตใจที่เป็นปกติมีความเป็นกลางจําได้ถึงสภาวะที่มันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆ จำได้เวลามันหลงเผลอก็ไปในความคิดนะมันก็กลับมาที่บ้านก็มันถูกมันจำได้เมื่อก่อนมันไม่เคยมีร่องรอยแบบนีนะ้มันมีแต่ต้องไหลไปลืมเนื้อลืมตัวอะไรที่เป็นนิสัยความคุ้นชินเคยชินทำแล้วมีความสกมันก็ทำซ้ำๆแต่บัดนี้เราเลือกได้ มันก็เกิดประโยชน์อย่างนี้นการไปรทำท้ายสุดก็คือตัวรู้มันก็พาเดินทางวิชามันก็พาเดินทางแบบถูกทางจิตกระึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้ น, นมันเป็นสุขที่เป็น นิรามิสุขไม่ใช่อามิตสุขอามิตสุกก็ต้องเอียงวัตถุหนึ่งสมี่ห้าแต่นิรามิสุขมันเป็นสุขภายในมีปิติมีปฏติมีสุขอินะ่มอกอิม่มใจเบากายเบาใจสงบกายสงบใจก็เกิดสมาธิตรงนั้นแหละนะความสุขอยู่ตรงไหนมันมีสมาธิอยู่ตรงนั้น แต่ว่ามันเป็นความสุขที่เกิดจากตัววิชารู้แล้วรู้ถูกแต่ปกติปุถุชนคนทั่วไปรู้ไม่ถูกแล้วก็มีความสุขอยู่การรู้ไม่ถูกท้ายสุดทำวันนี้ทุกวันหน้าทำวันนี้มันสุขแป๊บเดียวแต่กลายเป็นทุกข์อีกยาวเลย <Yeah. S 1> เหมือนกับการกินอ้อยจากโคนไปหาปลายสุขของปุถุชน แต่เราเป็นนักปฏิบัติหรือว่าสนใจที่ศึษากายศึกษาใจก็เห็นว่าเออทำมาในตัวเรามันก็เหมือนกับการกินอ้อยจากปลายไปหาโคนมันเป็นยังไงกินอ้อยจากปลายไปหาโคนเช่นกลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองอมก็ทุกข์นะมันเห็นเป็นทุกข์เลยแหละแต่ตอนหลังมันเห็นเป็นธรรมาชาติมันก็ไม่มีโอทานไม่มีตัณหาไปยึด ว่าเป็นเราเป็นของของเรากายของเราใจของเราตรงนั้นแหละมันค่อยๆมีธรรมลดเกิดขึ้นมาลดของความสุขลดของพระธรรมธรรมลดมันก็ซาบซึ้งประนีตไปเรื่อยๆ เ, เป็นความเย็นอกเย็นใจต่างๆ เป็นสุขที่เกิดจากสมาธิ <Yeah. S 2> จนทายสุดก็หน่อยนายกลาจจาง <Yeah. S 2> เบื่อในายกลายจางในหลายๆอย่าง <Yeah. S 2> มันก็สลัดคืน <Yeah. S 2> เคยทุกข์ราะคนอื่นคนอื่นทำให้เราทุกข์ yeah. ทั้งหึงหวงทั้งห่วงหาทั้งหิวหวยทั้งเหี่ยวแห้งปัญหาขันห้าของเรายังไม่พอยึดลูกอีกขันห้ามายึดเอาลูกอีกขันห้ามายึดเอามีอีกขันห้ามายึดเอาพ่อเอาแม่อีกหลายคนรวมแล้วเป็นบางทีบางคนเะร่อยร้อยขันเลยแบกเข้าไป พอปฏิบัติมันกสลัดเกินได้เหมือนกันมีหน้าที่ก็ทําไปแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าทําแล้วจะต้องทุกข์มันเป็นเรื่องที่ทําจะทําแล้วก็ทําไปวางไปเพราะฉะนั้นเวลาเรามีสตินะี่ยปฐฐานเกิดขึ้นเนี่ยมันทํางานทั้งวันนะแต่ว่าเหมือนไม่ได้ทําอะไรมันทําทั้งวันตองแต่เช้ายันมืดทํา มีอะไรทำก็ทำไปมีอะไรคิดก็คิดไปมีอะไรพูดก็พูดไปมีอะไรทำก็ทำไปแต่ทำไปวางไปฮะ mm. มันไม่เหมือนกับเวลาเราขาดสติ mm. วันทั้งวันเนี่ยโอ้ยทำไมมันเหมือนหนักหนักหนาสาหัส mm. มันเหมือนแบกอะไรวะแบกโลกคนแบกโลกหนักอึง้งไม่ได้ทำอะไรทําเหนื่อยอย่างเงี้ยเหนื่อยใจไม่ได้ทำงานแําเหนื่อย มือนก็ทํางานมาทั้งวันทั้งเดือ น, นพียงแ่ปฏิบัติธรรมทา ท, ทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้ทําอะไระเราก็จึงต้องถอยกลับมาดูกันตรงนี้นิดหนึ่งไม่ใช่ถอยหลังเข้าคร อ, องแต่ว่ากลุ่มแพทย์ร้อยวิทชีวิทยเนี่ยเรากําลังจะพุ่งไปข้างหน้าสู่ความสําเร็จของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ฐานะทางการเงินมีอุปโภคมีบริโภคนะทางครอบครัวทางสังคมตอนนี้เราถอยมานหนึเหมอนเครื่องบินนะนะเครื่องบินเนี่ยโอ้มันจะพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยที่แรกมันก็อยู่ที่เกลดนะที่ประตูทางออกก็จะมีงวงช้างนะ เราก็เดินขึ้นเครื่องบินกันแต่ตอนที่มันถอยเนี่ยเราก็นึกว่ามันถอยเองเครื่องบินลําไหนถอยเองมั้งไม่มีหรอกมันมีแต่บินพุ่งไป้านหน้าอย่างเดียวมันถอยเองไม่เป็นมันก็เลยให้ที่สนามบินเนเแล้ว ก, ก็มีรถอะไรแล้วก็ไปดันล้อหน้าให้มันถอยเคยรู้ไหมว่าเครื่องบินมันถอยเองไม่เป็น ก็เหมือนกันแหลนะชีวิตของเราเนะี่ยบางทีถอยเองไม่เป็นนะต้องให้คนอื่นชวนถอยนิดนึงชวนถอยชวนให้ถอยนิดนึงแต่ไม่ใช่ถอยแล้วก็นะจอออยู่ตรงนั้นไม่ใช่มันจะพุ่งไปข้างหน้าการคืนมาที่ปกตินะนะชิดถอยมาตรงนี้พอดีพอดี แล้วก็ทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรก็ทํำไปด้วยความเป็นปกติอะนะพุ่งไปข้างหน้ามันเกิดจากที่สุขสันติภาพมัาไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่ น, นดีดีลถเหมือนกันก่อนที่มันจะพุ่งไปข้างหน้านะ ม, นมันเออมันติดพุ่งไปยังไงมันก็ติดอยู่คาเท่านะตกล่มฝนตกต ก, ตกนี่เราวิ่งไป ดินเหนียวเนยวคนโคลนก็ฟีอยู่ตรงนั้นเนะี่ยผู้สาวิ่งกับตายเหยียบกับตายโชเฟอร์คนขับแต่ไม่ได้ไปไหนเลยก็ติดอยู่ตรงนั้นเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนลินลิ ง, ล ง, ล ง, ลงติดตังบางทีทำงานในติดขัดเราก็ว่าเราทำเต็มที่แล้วแต่ติดชีวิตไม่สามารถไนะต่ขึ้นไปได้มีแต่ปัญหา มันก็มีเหมือนกันเครียดทํางานแล้วเครียดเช่นหมอหลายคนนะที่เคยมาเข้าค ด, ดีนะ่ะตอนที่เป็นหมออินเทอร์ทำคนใข้าตายตั้งแต่เคสแรกเลยเสียใจมากติดพอจะเป็นแพทย์ก็ขาดความมั่นใจไปเลยไม่กล้าที่จะลงไม้ลงมือตัดสินใจทําอะไรลงไปจากเคสแรกเคสเดียวนะั่นะ นี่แหล ะ, ะที่เปรียบเทียบให้เหมือนรถตกลมวิ่งกบฟรีอยู่ก็เตียเพราะนั้นต้องมีคนผู้รู้ช่วยกันเขียนบ้างมีเทคนิคฝึกถอยไว้บ้างแต่ว่าถอยแบบมีหลักมีเกณฑ์คิดของเราไม่ทยานอยากพุ่งไปเสพสุขจนลืมเนื้อลืมตัว ปกติจิตเนี่ยตอนนี้เราก็สร้างแล้วการเคลื่อนการไหวของกายเราจนจิตใจมันแสดงธรรมชาติถูกครั้งเลยที่เวลารู้สึกตัวจิตก็ปกติไม่ได้เข้าไปในความคิดนฝึกย่อนะการปจิธรรมเนี่ยเปรียบเหมือนฝึกย่อเพื่อที่จะกระโดดขึ้นไปจะหยิบอะไรก็หยิบถึงแต่บางคนขี้เย่งอยู่นั่นนะขี้เย่งไม่ยอมยอ่อ ก็สั่ น, นเกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆังๆๆเๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆัๆงง ล, ลิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสร็จแล้วเอาถั่วไปวางล่อมันเอาผลไม้ไปวางลอ่อลิงติดตังเอามือไปหยิบมือติดเอาอีกข้างที่เหลือไปช่วยเอาติดอีกข้างหนึ่งเอาขาไปช่วยเอาขากะติดเลยข้างหนึ่งเอาไปช่วยเอาติดตังอีกในพรานดักเขาไว้ เหลืออะไรเราเนี้ยเหลือปากใช่ไหมก็ปากลงไปช่วยดันตัวเองออกปากก็ติดเองเลีงติดตังการงานก็เหมือนกันแต่เราทำให้เป็นติดทีเดียวนะติดงานติดการติดสารพัดนั่นแหละติดโตติดเก้าอี้ติดเงินติดทองติดเที่ยวติดคู่รักติดสารพัดต้องฝึกเอาไว้ อาตายฮิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าฝึกไว้ให้มีหลักวิชากรรมฐานเอาไปเสริมก็ไปเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยกลับมาหาตัวรู้สึกก่อนสังเกตไหมกว่าจะเจอตัวรู้สึกนโหต้องผ่านด่านทดสอบมากมายเหลือเกินเช่นความง่วงมันมันเป็นด่าน เปรียบเหมือนก็ว่าเราอยากได้กําลังร่างกายของเราอยากมีกําลังต้องออกกําลังกายยกดัมเบลนะวิ่งให้ปวดเจาะอย่าเบื่ออย่าท้อประเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับให้มีกล้ามเนื้อขึ้นมาให้เวลามันนิดหนึ่งเหมือนกับอาบน้ําอาบท่าถูสบู่ให้เวลาสบู่ทําหน้าที่นิดนึงอย่ารีบล้างถ้ารีบล้างมันก็ลื่นไม่ทัน ทำปฏิกิริยากับคีไขนะ่กับจริงโซกปลกนะแช่ผ้าก็เหมือนกันนะก็เพื่อให้ผงซักฟอกทําปฏิกิริยากับผ้าสักนิดหนึ่งนะให้เวลาเลี้ยงนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันมีเวลานะห้าวันเจ็ดวันนะีะก็ให้เวลานิดหนึ่งอยู่กับความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆก่อนนะมันจะมีผลฉีดยาสลบก็เหมือนกันต้องให้เวลานิดหนึ่งนะยาชาพวกนนีะ้ให้มันชาก่อน หมอันจิตยาชาเข้าไปที่เหงือง่อเดี๋ยวมันจะมีปฏิกิริยาตัวสติตัวความรู้สึกตัวกันเหมือนกันนะให้โอกาสม น, นีษย์เดี๋ยวมันจะแสดงผลขึ้นมานะแต่ว่าต้องรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องนะเป็นลูกโซ่วิธีการหลวงปู่เทียนรูนะ้ให้ถูกรู้ให้เป็นปัจจุบันรู้ที่กายการเคลื่อนการไหวนะอย่าเลือกนิ่งนะวิธีนี้นะอย่าเลือกนิ่ง อะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าไปห้ามมันแต่ว่ากลับมาที่ฐานให้เป็นพอมีสติแล้วมันจะผ่านเองสติปัญญาจะพาผ่านเองตัวนี้เกิดกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานขึ้นมาปฏิเสธไม่ได้สัจจะทุกคนจะต้องเจอความง่วงนี่เขาเรียกว่านิวรธรรมนะด่านกั้นจิตแม่เราบรรลุถึงวุญงามความดีตัวง่วง ควมลังเลสงสัยอย่างเงี้ยต้องเจอเอ๊ะทำไ ม, มต้องทําอย่างนี้เอ๊นะสงสัยอะไรเป็นสติอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาอะไรเป็นศีลอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปสงสัยเอ๊ะมันทําไปทําไมมันต้องมีมั่งหรอกเอ๊อาการอย่างนี้มันใช่ไม้มตัวสตนะิอย่างเช่นมายเย็นนมีเพื่อนไปถามเหมือนกันนะ เป็นบางคนก็นเหมือนกันเริ่มเริ่ ม, มสัมผัสกับสภ า, าบาบิงแล้วก็จะไม่ถามต่อหน้าคนเยอะๆแต่ว่าจะแอบถามนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความสนใจส่วนตัวมันเกิดกับตัวเองนะก็มีผลอยู่ธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติมันแสดงออกมาให้เราได้สัมผัสสมควรแก่การปฏิบัติของไครของเรานะด้พอตัวรู้สึกตัว มันไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้สึกตัวถ้าจะมีก็สแสดงเป็นโลกจิตโลกวิสายหรือว่าบ้าวิปลาสคนเหล่านี้จะไม่รู้สึกตัวว่าจิตมันหลอนจิตมันหลอกอยู่ในวงวนของความคิดนะเราก็จึงมีประสบการณ์ร่วมกันเหมือนเหมือนกันทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าโยมอุบาสกอุบาสิกา ไม่เกี่ยวกับอายุใครเดินจงกลมมันก็รู้สึกตัวใครนั่งสร้างฉหว ม, มันก็รู้สึกตัวใครดูกายเป็นเห็นกายตามความเป็นจริงก็รู้สึกตัวเห็นจิตเห็นใจถ้าดูจิตเป็นก็เป็นความรู้สึกตัวมันเป็นได้หมดนะในรูปแบบนอกรูปแบบจะทําอะไรก็ตามเป็นความรู้สึกตัวมันก็จึงปฏิเสธไม่ได้สิ่งสิ่งนี้นะ ถ้เป็นก็ว่าให้โอกาสให้เวลามันนิดหนึ่งนะอย่ารีบสรุปนะว่ามันทําแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นนะไม่รีบสรุปทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวท้ายสุดมจะได้คําตอบนะถ้ามันจะสรุปมันก็สรุปได้ปัญญาไม่ได้สรุปด้วยความคิดการจบการจำํำนะการคาดนนการณ์คณิตศาสตระคณิต ขาดคะแนนคำนึงคำนวณดุนเดาก็จึงไม่มีการด้นเดาทุกครั้งที่เราสัมผัสนะมันแม่นยำอยู่แล้วสัมผัสปั๊บรู้ปุ๊บสัมผัสเมื่อไหรก็ตามรู้ทันทีรู้ทันทีความคิดเกิดขึ้นมารู้ได้ทันทีนะเพราะฉะนั้น การปธรรมก็ถึงมีทิศมีทางมีเป้าหมายที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเป้าหมายของการปิบัคือไม่ให้เราทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดนะที่ไม่ได้ตั้งใจสมมติฐานที่มันเกิดขึ้นที่มันทให้เกิดเป็นความทุกข์ก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจ แต่ถ้าตั้งใจคิดไม่เป็นไรนะทำงานทำการทำหน้าที่ไปนิดดีเกกดประโยชน์ตนประโยชน์ทนะ่านเกิดสันติสุขสันติภาพนะคุณธรรมต่างๆอยู่ในความรู้สึกตัวมีมากมายเหลือเกินความสมัครสมความสมัครสมานสามัคคีการไี้เรารู้จักให้เนะมตต า, ารู้นาให้อภัยต่างๆ อดทนอดกลัน้นความซื่อสัตย์ตันอยู่ความอดทนหลายอย่างเป็นคุณสมบัติที่เกิดจากตัวสติหรือว่าความรู้สึกตัวเบื้องต้นเนี่ยแหละเมื่อสองวันก่อนหลวงพ่อคำเขียนพูดถึงรอยเท้าช้างใช่ไหมจำได้ไหมสติเนี่ยเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างพิงคกี้มันมีอยู่ในปฏิวิตดรดนะ ธรรมที่มีอุปการะมากที่สุดคือสติคือการระลึกรู้นะแล้วก็สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมใหม่ๆมอาจจะรู้เป็นจุดก่อนแต่ว่ารู้ไปรู้ไปมันรู้ตัวทั่วพร้อมพอมรู้ตัวทั่วพร้อมปั๊บเดี๋ยวมันแตกออกไปรู้รอบกองสังขารการปรุงแต่งในจิตในใจในเยอะมากมันจะรู้เท่ารู้ทันแต่ว่ต้องให้เวลาตัวเองนิดนึงก็นี้รอยสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เหมือนธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศล มันจะอยู่ในตัวสติทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นสติเราอยากรู้ว่ามีสติไหมก็รู้สึกตัวไหมก็ไหนเนะี่ยมีตัวเรานั่งอยู่ไหมง่ายๆอย่างนี้แหละนะเราก็ฟังเอาไว้แล้วก็ทําให้มันเกิดให้ได้นะที่ว่าทําให้มันเกิดก็คือความคิดเกิดโดยไม่ได้ตั้งใจรู้เท่ารู้ทันให้มากที่สุดนะตัวนี้ทําให้เกิดขึ้นมาให้ได้ปกติไม่รู้เท่ารู้ทันไงแต่พอเรามาฝึก สติมันไวขึ้นมันจานานมากขึ้นก็รู้เท่ารูท้ทันแล้วก็ละเอียดลงไปใหม่ใหม่สติมันทาลกมากเลยต่อแตะต่อแตะมากเลยสติปัฏฐานนั่นนะมันก็จะไปรู้ของให้มันหยับหยามอย่างนี้อีบดหยอมหยามนะให้สติมันหยับหยามรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปละเอียดสติมากขึ้นรู้ของละเอียดลงไปลงไปลงไปเป็นไปเองทุกคนนะนะวันนี้ก็พูดให้ฟังแบบนี้แหละ และเห็นว่าสมกันเกลายแลายเรากรากบมาพร้อมกัน